พนอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรโอการภาจารเพศานพระเทลานุเทละเพื่อนสัธรรมิทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีระยตที่ทำทุกท่านเนน่้เราก็ได้าสาธยายาธรรมจักกับปวัฒนสูตรจบไปแล้วเพราะเจ้าไดา้ทรงผู้ทานไว้ครั้งหนึ่งบ้าง การที่อคนเราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั้นก็เพราะว่าความที่เราไม่รู้จักอริสัตย์สี่นั่นเองธรรมาจักรกัปนสูตรนั้นเป็นประสูตรเดียวที่มีอริสัตย์สี่อยู่ในนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธจะต้องรู้จักอริสัตยสี่นี้ เพราะว่าผู้ใดที่ไม่รู้จักเลษ ส, สัตสีผู้นั้นย่อมจาคุณหาคนทายให้การพ้นทุกข์ไม่เจอนะย่อมจะหลงทางและการหลงทางนั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดดังเห็นว่าเวลาพระพิจารณาแสดงธรรมนอกจากธรรมจักแล้วนะในภายหลังเวลาแสดงให้กับฆราวาสที่ไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่เป็นเทวดา เป็นมนุษย์จะแสดงเริ่มต้นด้วยที่ได้ส่งแสดงอนุปพิกกะถาก่อนเพื่อที่จะชำระล้างจิตใจของเขาใ ห, ให้มีความสะอาดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งแสดงริยสัจสีต่อมาและเมื่อผู้ที่ได้ฟังอริยสัจสีก็จะบรรลุธรรมกันเป็นส่วนมาก ในขั้นแรกก็เป็นรูเป็นโซดาบันก่อนจนทั้งบรรลุถึงเป็นพระราหันได้โดยไม่ยากจากการฟังอริสสัตรอีอริสสัตรีนั้นก็มีอยู่ในธรรมจักซึ่งธรรมจักก็เริ่มต้นจากการนี่ทรงแสดงว่าคนเราไม่ควรข้องแวะอยู่ในทางสุดตรงสองทางนั้นคืออาการมาสุขะเลกานุโยก เพราะเหตุใดเพราะว่าทรงบอกว่าเป็นทางที่ต่ําซามเป็นของปุถุชนผู้ที่จะบัดเพื่อความเป็นพระยาจ้าไม่ควรจะคล้องแวะเลยอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทรงห้ามว่าไม่ให้เสพในกามทั้งหลายเพราะปุถุชนก็สามารถที่จะเสพได้แต่ว่าผู้ใดที่คิดว่าเราจะต้องหาทางพ้นทุกข์แล้วในชาติปัจจุบันนี้ เราก็ต้องละในการเสพการต่างๆเหล่านั้นในรูปลดกลิ่นเสียงโหดทธพธรรมลมเพราะว่านั่นก็คือความเนิ่นช้าที่คนเราชอบไปเสพในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งแล้วต่อมาก็ทรงบอกว่าหนทางที่มันสุดโตไปข้างหนึ่งก็คือการทรมานตนต่างๆนี่ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุก ในสมัยพุทธกาลก็มีการอดอาหารต่างๆเป็นต้นแม้แต่ในยุคเรานะบางทีการปฏิบัติธรรมก็จะตึงเกินไปนะอย่างบางวัดก็เวลาเข้าบรรษานี่ก็จะถือว่าอดนอนผ่อนอาหารนะก็เป็นการนะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติธรรมได้นะเข้มข้นขึ้นนะแต่อันนั้นจริงๆแล้วก็เป็นนะ อาจตัดพื้นฐานนุโยคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็ยังไม่ทางสายกลางแต่ถ้าไปบัติชั่วคราวก็ไม่เป็นไรทางสายกลางนั้นจึงเป็นหนทางจริงๆที่ว่ามันเป็นทางที่แห่งความเรียกว่าอยู่ในระดับที่มันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับในการในทางการและในการทรมานตนเองนะทางสายกลางนี้ บางทีถ้ากลับมานึกอีกทีนึงว่าก็คือความที่เราสามารถทำใจให้เป็นกลางได้ไหมในสภาวะทุกๆสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถที่จะไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นแหละน่าจะเป็นทางสายกลางที่แท้จริงไม่ว่าสิ่งใดอจะถูกจะผิดก็คือไม่ไปเอาถูกไม่เอาผิดในสิ่งเหล่านั้นไม่ไปเอาเหตุไม่เอาผลในสิ่งเหล่านั้นไม่ไปติดในดีไม่ไปติดในชั่ว ไม่ติดติดในความถูกไม่ไปติดในความผิดเพราะผู้ใดติดว่าตัวเองดีก็ไปจะไปเพ่งโทษคนนึ่นว่าเขาทําิตรไม่ดีดทําชั่วผู้ใดคิดว่าเราทําถูกก็ไปคิดว่าผู้อื่นทําผิดอันนี้ก็คือความไม่เป็นกลางของจิตนั่นเองมันก็จะหลุดจากตรง น, นั้นไม่ได้เพราะเราจะมายึดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกอยู่นะมันจึงต้องวางจริงๆ ในสภาวะแห่งความเป็นกลางนะ น, นี่ก็น่าจะเป็นหนทางจริงๆให้ออกจากความพุ่นทุกได้ก็คือทางสายกลางในระดับของจิตใจของพวกเราคร น, นี้นะี่ก็ได้ทรงอชี้ต่อมานะว่าหนทางสายกลางนั้นก็มีอยู่นะก็คือมรรคเมยงแปดนั่นเองนะมรรคเมยงแ8ก็อยู่ในอริสตรัตสี่นั่นแหละ คันนี้อริยสัจสีก็เริ่มด้วยจากการที่ทรงแสดงให้เราเห็นความทุกข์ก่อนความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะมองเห็นผู้ใดโดยเฉพานักบติทั้งหลายที่ต้องการความพ้นทุกข์ก็จะต้องรู้จักทุกข์ก่อนถ้าไม่รู้จักทุกข์เราก็จะละทุกข์ไม่ได้เหมือนกับเราจะละกิเลสตัวใดเราต้องรู้จักกิเลสเหล่านั้นให้ชัดเจนก่อน เราจะละความโกรธก็ต้องรู้จักความโกรธให้ชัดก่อนเพราะนั้นเราจะละความทุกข์ก็ต้องรู้จักความทุกข์ให้ชัดก่อนความทุกข์ก็อยู่ในชีวิตจำวันของเรานี่แหละบางคนคิดว่าความทุกข์นี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเป็นการพัดพาคเป็นการสูญเสียที่ใหญ่โตจึงเห็นความทุกข์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วในชีวิตจาวันนี้เราเห็นไหม ความทุกข์เล็กเ็กน้อยเราเห็นไหมบางท่านอาจจะเริ่มง่วงนอนนะเห็นความง่วงนอนไหมความง่วงนอนก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งบางท่านเริ่มปวดเมื่อยขาเห็นความทุกข์ในตรงนั้นไหมบางท่านเริ่มหนาวเห็นความทุกข์ในความหนาวนั้นไหมบางท่านอาจจะนั่งพื้นแข็งแข็งเห็นความทุกข์ในการกระทบสิ่งที่ของแข็งนั้นไหมบางท่านอาจจะโดนยุง ก, กัด เห็นความทุก์ในการที่เราเจ็บปวดนั้นไหมบางท่านเริ่มจะหิวน้ําำเห็นความทุกขในความหิวน้ํานั้นไหมบางท่านเริ่มจะปวดปัสสาวะเห็นความทุกในการปวดปัสสาวะอุจจาะนั้นไหมนี่คือความทุกในชีพเจ้ามันต่างหากแต่เราสังเกตเห็นเขาไหมไม่ต้องไปเห็นสิ่งที่ใหญ่ๆอะไรลอกแค่เราหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายแล้วมันอยู่กับความทุกตลอดเวลานั่นเอง นี่เป็นชีวิตของเราที่ต้องเห็นเพราะการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ไปปฏิบัติที่ไหนเลยปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละให้เห็นความจริงว่ามันทุกตลอดเวลานะได้ทรงตัดถึงความทุกข์ประจำสังขารว่าชาติเป็นทุกขา์าความเกิดก็เป็นทุกข์ทาราเป็นทุกขา์าความแก่ก็เป็นทุกนน ข, ข์มรณะเป็นทุกข์ังความตายก็เป็นทุกข์โศกะปริเทวัตุกะโทมณสุปายาสาปิ ความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เนี่ยตรงนี้เราเห็นไหมเราโศกเราเศร้าเราครับแค้นใจต่างๆมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นโดนคนด่าวา่าเก็บมาคิดก็เป็นความคับแค้นใจโดนคนนินทาก็เก็บมาคิดเป็นความคับแค้นใจ อันเนี้ยจิตเรายังต้องไปบัตรธรรมอีกเยอะเลยนะเขาเรียกว่าคนที่ติดอารมณ์บางทีเราก็ไม่เข้าใจหรอกว เ, เราไปบัติธรรมการบัตรธรรมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่สิ่งเหล่านั้นนะ่ะเป็นเครื่องพิสูจน์เราว่าเรายังติดอารมณ์อยู่ไหมนะถ้าเรายังติดอารมณ์ต่างๆอยู่มันก็ยังไม่ได้ไปบัติธรรมอะไรเลยเพราะการบัตรธรรมแล้วจริงๆตรงนั้นมันเป็นแค่ อ่าการทดสอบอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันก็เราเข้าห้องซ้อมอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองนะแต่การที่เรากระทบอารมณ์จริงๆนั่นแหละคือการปฏิบัติคือเราได้ชกมวยจริงๆไม่ใช่การซ้อมเนะี่ยตรงนี้มันจริงเป็นการแบบตรทำเราโดนอคนกระทบเราต่างๆด้วยกายวาจาใจเราติดอารมณ์ไหมนะติดแล้วออกเร็วไหม แล้วเราสังเกตได้ไหมว่ามันมาแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะทุกคนมีความโกรธได้ไม่ใช่ไ ม, ม, ม่มีความโกรธหรอกมีความโกรธได้แต่เขาว่าเป็นนักเลยบัตธรรมเราสังเกตได้ไหมว่าเขามาแล้วเขาไปเขาไม่ได้อยู่กับเรานานนะไม่ได้อยู่เราเป็นวันวันเหมือนสมัยก่อนถ้าเราอยู่ถ้าเขาอยู่เราเป็นวันวันเราได้สังเกตด้แล้วว่าการบัติธรรมเราก้าวหน้าไหมนะจริงๆแล้วเขาก็มาแล้วก็ไป เพียงแต่เราไม่ไปให้ค่าเท่านั้นเองเขาไปของเขาเองอยู่แล้วแต่เมื่อเราไปให้ค่ากับสิ่งใดนะก็จะวนอยู่ในความคิดนะวนอยู่ในจิตใจและการวนนั่นแหละคือความทุกข์เพราะฉะนั้นนะจึงอาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งเป็นสิ่ ง, งที่ดีหมดนะความโกรธก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาให้เรามาเห็นแล้วว่าเข้ามาแล้วก็ไปนะเข้ามาแล้วก็ไป แล้วเราจะได้เห็นเขาชัดๆด้วยว่าเขามาแล้วก็ไปจริงๆเขาไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราจรึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้ น, นเมื่อเรารู้จักความโกรธไปบ่อยเราก็จะสังเกตเขาได้เร็วขึ้ น, นคนไหนที่โกรธเก่งครูบาอาจารย์บอกว่าเออคนนั้นอาจจะปฏิัติธรรได้ผลเร็วเพราะว่าสังเกตจิตใจได้เร็วนะไม่เหมือนกับราคะราคะบางทีเกิดเกิดช้าแล้วก็ละช้า แต่ความโกรธเกิดเร็วแล้วก็ไปเร็วนะเพราะนั้นใครที่เป็นนักสังเกตจิตใจก็จะเห็นว่าเออบางทีเราโกรธนะแต่เดี๋ยวเก็ไปแล้วนะพอสังเกตบ่อยๆความโกรธก็เลยทำอะไรเราไม่ได้นะความที่เราเป็นนักสังเกตนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะแต่ถ้าใครโกรธแล้วก็เป็นผู้เป็นแต่เราเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูได้ไหมนะพอเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูปั๊บมันก็ไม่ทุกเลยแล้วการเป็นผู้สังเกตแทน เหมือนกับเราดูละครเราก็เห็นไปเราก็ไม่ไปอินเราก็เป็นผู้ดูเท่านั้นเองแต่ตราบใดที่เราเป็นผู้เล่นเราก็อินเข้าไปในบทต่างๆเหล่านั้นเพราะจริงๆแล้วเราก็สแสดงละครอยูทั้งนั้นแหละทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็สแสดงละครแต่เรากลายเป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้ดูนะเป็นผู้เป็นไม่ได้เป็นผู้ดู การกลับไปเป็นผู้ดูนี่แหละจึงสําคัญมากนะมันจะกลับมาได้ไหมก็เกิดจากการเรามีสติรู้เท่าทันว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะขณะนี้กําลังยืนกาลังเดินกําลังนั่งกำลังนอนรู้ไหมนะไม่ใช่ว่ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกาลังนอนก็คิดไปในลมต่างๆนั้นแสดงว่าเรายังหลงหลงเข้าไปในความเพลิดเพลินซึ่งเป็นหนทางความทุกข์ เพราะนั้นความทุกข์ก็เกิดจากการที่เราไปเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองโดยเรารู้ไม่เท่าทันนะเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผลทพะทมอารมต่างๆอันนี้นะมันเป็นสมุทัยเลยนะสมุทัยนียมันเป็นหนทางความเกิดทุกข์เรารู้ทันไหมว่าเรากําลังสร้างเหตุขึ้นมาแล้วนะเพราะนั้นการที่เราจะให้หยุดเหตุนั้นก็คือเหตุ เกิดขึ้นก็ให้ดับที่เหตุนั้นไม่ใช่ไปดับที่ผลก็คือไปดับในเวทนาที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เขาจะนำให้เกิดความทุกข์ความสุขเกิดตัณหาคือความทยานอยากเมื่อเกิดความทยานอยากก็เป็นอุปทานตามมาเมื่อเกิดอุปทานก็เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ต่างๆตามมาตรงนี้เราไปดับที่เหตุดได้ไหมเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะ เพราะฉะนั้นอ่ทุกจริงเป็นสิ่งเราต้องรู้จักก่อนนะในกิจของลิยัสสัตว์สี่มนทุกเนี่ยพระวิจาบอกว่าต้องรู้นะเป็นปริญญาก็คือเราต้องรู้จักทุกเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จักทุกคนนั้นก็จะออกจากความทุกข์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในระดับของนักปฏิบัตเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องรู้จักทุกให้ได้ก่อนนะในทุกใหญ่ใหญ่นี่นแหละนะในการที่เราเกิดแก่เจ็บตาย ในทุกเล็กๆก็ในอีบทต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเพราะ ก, กายปฏิบัติธรรมนี้จริงๆมันไม่ได้ไปบัดที่ไหนเลยก็ บ, บัดที่กายและใจเรานี่แหละให้เห็นความทุกข์อยู่เรื่อยๆนะผูใ้ใดเห็นทุกข์ก็จะพ้นทุกข์เหมือนที่หลวงพ่อคําเขียนก็ได้กล่าวไว้นะซึ่งมีติดอยู่ในงานเป็นกระดาษอเป็นข้อความที่ชัดเจนและสั้นมากเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เพราะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราเห็นทุกข์หรือ ย, ยัง ถ้าเราไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกความทุกข์มันมีตลอดเวลาเลยเราไม่เห็นก็เท่านั้นเองน ะ, นะต่อมาก็คือสมุทัยนะก็คือสาเหตุหองความเกิดทุกข์อันใดกับ ย, ยาอย่างปัญหาโปโนพวิกานันทิลาคะสักตาตตะระตตะาพินันทีนีนะนะนะก็คือปัญหาอันเป็นเหตุ น, นําให้เรามีการเกิดอีกเป็นความเพลิดเพลินไป ในสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสยยที่ทางกามตันหาก็คือตัณหาในกามก็คือรูปลดกลิ่นเสียงผดทพธรรมลมนะก็อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเนี่ยก็คือความเพลิดเพลินอย่างยิ่งอไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองการเพลิดเพลินอารมณ์ต่างๆนั้นก็คือความติดความยึดความไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนะถ้ามากุ้ยเจ้านี้จริ ง, รงๆไปไปเพื่อการปล่อยวางนะอย่างที่ได้ทรงกล่าวไว้ในที่สุด ในการสรุปธรรมะว่าสัพเพ ธ, ธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่การยึดติดนะแต่เราตรงกันข้ามเราไปยึดติดทุกอย่างนะอตากระทบรูปก็ไปติดในสิ่งเหล่านั้นหูกระทบเสียงก็ไปติดเหล่านั้นออันนี้ก็เรียกว่าเรารู้ไม่เท่าทันอสิ่งนี่เกิดขึ้น ในทางตาและทางหูเป็นตัวเป็นตัวอย่างนะนอกนั้นก็มีรูปรปกลิ่นเสียงพุทธบัธรรมลมต่างๆเยอะแยอะอีกหกทางนะสิ่งเราเห็นนั้นนะแม้แต่เป็นผู้หญิงที่ปรากฏขึ้นแต่ขณะนั้นถ้าไม่มีการเปิดไฟนะมันปิดไฟดับสนิทอยู่ในห้องมืดผู้หญิงนั้นก็จะไม่ปรากฏขึ้นในสายตาของเรา ทั้งๆแต่เป็นผู้ดีสวยงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปิดไฟแล้วก็จะเกิดรูปปรากฏขึ้นทางตาของเราจริงๆสิ่งทนะี่ปรากฏนั่นก็คือแค่แสงเท่านั้นเองนะแสงเป็นแสงจากผู้หญิงนั้นนหะกระทบเข้าตาของเราเราจึงเห็นเปรูปร่างต่างๆแล้วก็มีสีอีกอย่างหนึ่งก็มีสองอย่างสีก็ทําเราเห็นโอ้ตรงนี้สีขาวนี่สีดำ นี่สีเหลืองนี่สีเนื้อนี่สีแดงอ่านี่สีเขียวสีน้ำเงินปรากฏขึ้นในตาของเราเท่านั้นเองนะคือแสงและสีเท่านั้นนะเมื่อปรากฏขึ้นแล้วเมื่อผัสสะเกิดขึ้นโดยการกระทบอาเจตนะก็เกิดจิตในเข้าไปรับรู้เขาเรียกว่าจากขวิญญาณ น, นะเข้ามารับรู้ในสภาวะนั้น ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นรับรู้ในจริงๆแล้วมันก็ต้องมีการรับรู้ถ้าไม่รับรู้มันก็ได้นะบางทีเราเห็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะไม่รับรู้ได้นะบางทีเราไปสนใจอย่างอื่นมันก็เห็นได้แต่จิตไม่รับรู้ก็มีนะทช่บางทีเราก็ลืมตาเนี่ยแหละแต่เราไปคิดอย่างอื่นเยอะยๆบางทีคนเดินผ่านยังไม่รู้เลยว่าใครเดินผ่านไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายเดินผ่านก็มีทั้งนั้นนี่เขาเดินผ่านตาเราอันนี้ก็เรียกว่าไม่เกิดจากขู่อิญญาณ นะเพราะเมื่อเกิดจากวิญญาณแล้วสิ่งตามมาก็คือเวทนานะก็คือความรักนะความพอใจนะความไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นนะแล้วหลังนั้นก็จะเกิดตัณหาคือความทยานอยากและเกิดอุปาทานตามมานะคราวนี้เราจะสังเกตเห็นไหมว่า <c oughs> จริงๆแล้วตรงนั้นเรา <c oughs> เราได้ไหลเพลิดเพลินไปแล้วนะเพลิดเพลินก็คือความที่เราหลงเข้าไปในเวทนานั้นจนเกิดตัณหานะ คร น, นี้เวทนาเนี่ยคือความพอใจไม่พอใจเนี่ยตรงนี้เรารู้ไม่เท่าทันหรอกต้องให้เขาเกิดขึ้นก่อนนะถ้าไม่เกิดขึ้นก่อนก็เป็นเบรคขารู้เฉยเฉยได้ไหมนะมันจะวไวในการที่เราจุกลุยเฉยแต่ถ้าเมื่อมันเกิดเวทนาแล้วเนี่ยเราจะต้องมันจะกลายเป็นตันหาแล้วมีสติตามทันไหมนะซึ่งอารมณ์เหล่านั้นคือเวทนาเหล่านั้นเรามีสติตามทันไหมนี่แหละเป็นสิ่งเราต้องมาฝึกกันนะ ฝึกให้รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ว่าไหรลระลึกได้ว่าเราไหลไปแล้วไหลไปเพลิดเพลินแล้วนะไหลไปยินดียินร้ายแล้วในตรงนั้นรู้เท่าทันความเพลิดเพลินของเราเราจรึงมาฝึกกันนะเมื่อเรารู้เท่าทันมันก็ไม่เป็นตัณหาเมื่อไม่ตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดอุปท า, านก็ไม่เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ตามมา เนี่ยมันต้องไวนะต้องไวมากสติมันไวไวว่ากิเลสเนาะแต่ถ้าใครไม่มีสติก็โดนกิเลสลากยาวไปเลยน ะ, ะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนั่นแหละภพชาติมันจึงมีในตรงนี้เพราะเราไม่มีสติมันจึงไหลแล้วมันก็ไปสร้างภพสร้างชาติต่ตอแต่เรามีสติก็มันหยุดเลยมันตัดวงจรของปฏิจจสมบากให้ขาดไปนะมันก็ไม่ไปสร้างภพสร้างชาติต่อ นีมันไวนะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมลิ้นกายใจก็คือมีจักขูวิญญาณเข้าไปปรากฏอยู่แทบทั้งนั้นนะเราเรารู้รู้รู้เท่ารู้เท่าทันไหมในการที่ไม่ให้จักขูวิญญาณหรือโสตะวิญญาณหรือชีวะวิญญาณต่างๆไปสร้างปัญหาต่อไปนะตรงเนี้ยกิเลสมันก็จะเกิดก็เกิดขึ้นตรงนี้นะเราต้องรู้เท่าทันมันให้ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นนักปฏิบัติแล้วนะ มัน จ, จึงต้องไม่ไหลเพลิดเพลินไปในลมต่างๆนะอย่างที่ผู้เจ้าก็ได้ทรงตัดไว้แล้วว่าดูความพิสูุทั้งหลายผู้ใดที่เพลิดเพลินในตาหูจมลิ้นกายใจเพลิดเพลินในรูปรดกลิ่นเสียงผลทพาธธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในความทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในความทุกข huh right. ์เรากล่าวว่าผู้นั้นจักไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ดูความภิสูจทั้งหลายผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลินในตาหูจมลิ้นกายใจ ไม่เพลิดเพลินในรูปรดกลิ่นเสียงผลทธพาธาตุธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในความทุกขผู้ใดไม่ผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลินในความทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นจกพ้นจากความทุกไปได้ะก็ต้องสังเกตว่าเราไปเพลิดเพลินไหมตรงนี้มันต้องมีสติที่ว่องไวในการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆให้ไวขึ้นเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าการละอะกินเละทั้งหลายก็คือให้ไวเท่ากับกระพิตตาฉันนั้นน ะ, นะมันไม่ได้ไปละทีหลงังแต่ละเดี๋ยวนั้นเลยได้ไหม ตัดเลยนะตัดให้ทันเลยมันจึงต้องไวพอจริงๆนะักสตินี่แหละต้องฝึกให้ว่องไวยิ่งกว่าเครื่องบินลบนะมันต้องไวจริงๆนะเกิดปับ๊บตัดปับ๊บเดี๋ยวนั้นขาดพัวทันทีไม่มีการต่อเนื่องไปที่ไหนอีกเนาะมันเป็นการตัดคุบตัดชาจริงๆในตรงนีนะ้เราจะต้องมาสังเกตให้ได้นะ เ, เวลาใครเข้ามาตําหนิเราใครมาเนนทาเราใครมาว่าร้ายเรา ด้วยกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เ, เราไปติดนานไหมเราจะห้ามให้เขาเกิดไม่ได้หรอกแต่สําคัญว่าเราจะไปติดนานไหมเราจะออกจากรมได้เร็วไหมนี่แหละคือผลทางพิสูจน์ว่าการบริดธรรมขอเราก้าวหน้าไหมต่อมาก็คืออ่าตัณหาตัวที่สองคือสมุทัยตัวที่สองก็คือภาวตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นทั้งหลายนะ อยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่นี่คือตัณหาคือความทยานอยากทั้งนั้นเลยนะแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ยังอยากกระได้อะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นก็จริงๆก็เป็นตัณหานั่นเองนะพร ะ, ะนรุญาัฒน์เทียนจึงบอกว่าอยากยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีก็คือเราปฏิบัติธรรมได้แต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อต้องการได้อะไรแต่เป็นการปฏิบด้วยฉันทะด้วยการที่เราเป็นการเจริญสติจริงๆนะไม่ได้เจริญสติด้วยตัณหานะ แต่ใหม่ๆก็จะมีตันหาได้แต่ก็เราสังเกตว่ามันเป็นตันหาอะไรต้องรู้จักว่ามันก็คือตันหาไม่ใช่ว่าเราไปหลบเลี่ยงว่ามันไม่ใช่ตันหาแต่รู้ว่าเป็นตันหาก็เพื่อไปละตันหานั่นเองเนะแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ว่าเออเปลี่ยนเป็นฉันทะเป็นเปลี่ยนตันหาเป็นฉันทะได้ไหมก็แค่ความพอใจในการบาดเพราะเราถ้าว่าาถ้เราปาดหนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเราก็เป็นความทุกข์อ่ามันต้องดีถาวรนะเออเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีเราก็ทุกข์แล้วนั่นแหละคือตันหา มันก็กลายเป็นอุปทานเราไปยึดติดเออวันนี้ต้องดีไหมว่าวเมื่อวานนะมันก็เกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราทําด้วยความฉันทะ ก, ก็คือพอใจในการทําเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนี่คือความจริงเขาแสดงแล้ววันเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาก็จริงแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นนี่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยนะอะ่จากการเราต้องไปทุกขนะ์ต้องเอาดีแต่เปลี่ยนใหม่กลับมาเห็นอริสัตย์คือความจริงมากกว่า กลับมาเห็นพระไตรักษ์เป็นความจริงมากกว่านะว่ามันก็ไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วที่ไม่เที่ยงเมื่อวานด well, ีว like ันนี้ไม่ดีนี่แหละแสดงเราบังคับก็ไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้เขาจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเราเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเห็นพระไตรักษณบ่อยๆเห็นไม่บ่อยอันนี้มันจริงก็เกิดความเบื่อหน่ายได้อย่างจริงๆนะให้เราเห็นบ่อยๆเท่านั้นเองว่าเราบังคับก็ไม่ได้ไม่ใหตัวไม่ตนของเรา เมื่อเห็นไม่บ่อยแล้วจิตก็จะเกิดการยอมรับเกิดขึ้นนะการบัตรธรรนี่ทั้งหมดนะในมาร์คมีองแปดปฏิบัติธรรมจริงๆเพื่อหเห็นไปรตรลักเท่านั้นเองนะให้เห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้ไม่ให้ตัวไม่ตนของเราเนี่ยมันมันมองไปเหล่านี้บ่อยๆนะจากการที่เราทําเหล่านี้บ่อยๆเนะี่มันจะค่อยๆเห็นความจริงแต่เราปฏิบัติแล้วเราบังคับเขาได้นะเขาดีทุกวัน เขาเป็นไปตามเราต้องการทุกวันอันนี้มันมันจริงๆแล้วกลายเป็นตัวตนแล้วก็ไม่เห็นอนัตตาด้วยว่าเราบังคับเขไม่ได้ะอันนี้ตัวตนเราก็จะใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่กลับมาสู่ไตรลักษณ์เราจะเห็นความจริงเลยนะการที่เราเห็นความจริงบ่อยๆนี่แหละมันเมื่อเราเห็นบ่อยๆว่าเราบังคับเข้าไม่ได้จิตก็จะเริ่มคลายความยึดติดในความยึดมั่นถือมัน่นตรงนั้นได้ชัดเจน มันต้องเห็นไปบ่อยเห็นซ้ำๆเห็นซักซากไะอย่าไปเบื่อหน่ายในการเห็นปฏิบัติแล้วไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ทําไปทําด้วยฉันทะไม่ไม่ใช่ทำด้วยตัณหาตัณหาโอ้วันนี้ไม่ดีนี่ไม่ดีน่าเบื่อยังเลยไม่เก่งไม่สนุกไม่อยากปฏิบัติทำอันนี้ทํำด้วยตัณหาแต่ทําด้วยฉันทะวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรนี่อทําด้วยความที่เรียกว่าเราอยากจะทําะแต่ว่าเมื่อทาไปแล้วไม่ดีนี่กลับมาเห็นโอ้บังบงคับเขาไม่ได้นะเขาแสดงความจริงให้เราเห็นแล้ว ว่าเราบังคับก็ไม่ได้จริงว่าเป็นความไม่เที่ยงนี่แหละมันนอกจากได้สติแล้วก็ได้ปัญญาตาไม่ต่างหากนะเพราะว่าในการที่เราถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าไปสู่ที่ว่าความที่เราไม่เป็นอะไรกับไรก็คือเราไปไิบัตรไม่ได้เพื่อจะเอาไรแต่เราไปบัตรเพื่อเป็นการปล่อยการวางอย่างที่หลวงพ่อกำเขียงก็ได้พูดเอาไว้ในเรื่องอในหลายๆเรื่องนะ <c oughs> แต่ก็เรื่องที่ว่า <c oughs> ไม่น้ำจวีาานี่แหละ ก็คือแ <c oughs> ม่น้ําทุกสาย <c oughs> ทั้งเป็นลําคลองเล็กลําคลองใหญ่ก็จะไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยายิ่งใหญ่อคือการที่ปล่อยวางนั้นมีความยิ่งใหญ่เท่ากับเจ้าพยาก็คือไหลลงสู่ทะเลได้ทั้งหมดนะน้ําทั้งหมดถูกนํำลงสู่ทะเลเพราะฉนั้นกินเลสทั้งหลายแหลในใจของเราเมื่อเข้ามาสู่การปล่อยวางคือลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาแล้ว ม่น้ำเจ้าพยาหรือความปล่อยวางก็จะนําลงสู่ทะเลได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าเออมันมันตรงนี้นะอะทำไปในสุดก็คือการที่เราไม่ยึดไม่ติดการปล่อยการวางเพราะว่าเมื่อเมื่อเกิดการปล่อยการวางก็เกิดการไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดนั่นเองนะแม้แต่เรายึดอะไรไว้มันก็ไม่ปล่อยเมื่อเราปล่อยมันก็เลยไม่ติดในตรงนั้นนะถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วเรามีความทุกข์เพาเราไปยึดมั่นถือมั่น ต่างๆนั่นเองนะโดยเฉพาในตัวตนของเราเนี่แหละเราไปหลงยึดของมันนะบางทีท่านก็ได้บอกไว้แล้วสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราก็คืออยากไปเอามาเป็นของเราก็ในเมื่อกายและใจมันไม่ยังเราแล้วเราไปเอามาเป็นของเราทําไมนะมันก็เป็นแค่ดินนะับลมไฟไม่ใช่ตัวไม่ตนอะไรเลยแล้วเราไปเอามาเป็นของเราทําไมนะเราก็เป็นความทุกข์ในตรงนี้นั่นแหละเมื่อมีตัวมีตนแล้วสิ่งนี้ตามมาก็อีกเยอะแยะ นะในความที่เรียกว่าเป็นของเรานะเป็นของเราเป็นของกนะูตัวกูก็ของกูนะมันก็มีลูกมีเมียของกูมีทรัพย์สมบัติของกูมีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีเกียรติยศมีศักดิ์ศนระีมีสมณศักดินะ์เป็นของกูทั้งนั้นนะมันไม่ได้ออกจากตัวตนเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นในที่สุดสุดท้ายนี้ก็มาสรุปที่ว่านะเราออกจากความยึดมั่นถือมันในตัวตนได้ไหม ถ้าเราออกจากความยึดมั่นถือมันในตัวตนได้มันก็จะออกจากทุกๆสิ่งได้เหมือนกันนะออกจากความยึดมั่นในสิ่งต่างนั่นแหละรอบตัวเราในบุตรในภรรยาในทรัพย์สินในหน้าตาในยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายออกได้หมดสิ้นนะเพราะฉะนั้นนะในในตรงนี้นะเราต้องมาสังเกตความเป็นตัวตนเราให้ชัดเจนนะว่าตรงนี้ในขณะใดความเป็นตัวตนมีอยู่นะตรงนั้นนะเราไปยึดติดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอทุกท่านถึงซึ่งสติสมาธิ ปัญญาเรถึงซึ่งความออกจากตัวตนได้ทุกท่านโดยความเพียงกันทุกท่านเทอ